หลังทําปันก็ <c oughs> เราม่งานไม่การอกหัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนแล้วนาอย่วัดวาลามาเข้าอยู่ในแบบในพิมพ์นี่คือว่า แล้วคนมีจิตที่จะอยู่ที่นี่ได้ถ้าอาหารเกิดอยู่ที่นี่มีจิตที่กินได้นอนได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าคือว่าให้เป็นความสะดวกในการทำความดีการเล่าความชั่วระบีงาน ด้านอกก็มีความหลงไม่ให้เวลามันหลงให้รู้ยิ่งมันหลงเท่าไหร่ยิ่งรู้มากมันทุกข์อะที่เกิดจากกายจากใจเราเนี่อย่าไวยปะและเลยเลยให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ เราจะได้ปัญญาเพราะมีปัญหาเราจะได้ความรู้เพราะมันหลงเห็นทุกเห็นโทษจะพ้นทุกพ้นโทษได้ถ้าเราศึกษาเรื่องใดก็ได้ทำตอบเรื่องนั้นตอบได้ทำสำเร็จได้มีผลอยู่ไม่ฟรี เจ้านาทำนานาก็เสร็จได้ชักววันหนึ่งเวลาปากดำก็เสร็จได้เวลาเก็บเกี่ยวก็เสร็จได้ทำบะไรก็ต้องมีความเสร็จใช้ได้จึงจะเป็นงานเป็นการถ้าทำเช่งใดไม่เสร็จ แต่ได้ว่าไม่มีในโลกเนี่ยมีแต่ทำก็ผลในการกระทามเรวมมักคือการกระทาผลในการกระทาคือผลเริ่มันหลงทําลงไปให้รูปมันก็เป็นผลแห่งความรูปมันไม่ค่อยจะยุ่งยากโดยเฉพาะเรื่อง ธรรมะเนี่ยเาจะไม่เหมือนกับขุดดินทามากาอมาเป็นเรื่องประเมินเป็นวัตถุไม่ได้ไม่เป็นนามธรรมโดยเพราะดูธรรมาก็สะดวก มี น, า ม, นามีน้ำฝนมีข้าวปลูกมีไถมีคาดกันทำความเพียรก็มีนามีศรัทธาหมายถึงมีเนื้อ น, า ม, นามีน้ำฝนหมายถึงความเพียรเพียระกอบ มีงานอยู่มีสติเพียงลงไปให้ลู้ลงไปมีข้าวปลูกมีสติหวานลงไปมีสินสมาธิปัญญาเชืเ่อมแข็งลงไปช่วยกันลงไปหาแหลงเสริม ได้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญามันคาดมันไถเป็นตาหญ้าพิกหญ้าลงให้มันทับลงไปข้างล่างหญ้าที่มันลกอยู่บนหน้าดินนกลายเป็นปุ๋ยเมื่อลงไปข้างล่างแล้ว ความหลงเนี่ยเป็นปุ๋ยอห่างความรู้อะไรที่มันตรงกันข้ามความโกรธเป็นปุ๋ยอย่งความไม่โกรธเติมทุกข์เป็นปุ๋ยอย่งความไม่ทุกข์มันตรงกันข้ามอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยมันก็เสื่อไปตำนานในการกระทําเรียกว่าปาริยา ยาตะปริญญารู้ชำนาญในการรู้ใหม่ๆชำนาญในการหลงทางไปทาไปมันชำนาญในการรู้เนี่ยฤดูทำนามีน้าฝนมีเนื้อนามีข้าวปลูกข้าวพันมีเครื่องมือบางทีก็ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ เ่วงฤดูนี้เป็นฤดูที่สะดวกในการทำความเพียรมากสมัยก่อนผู้ที่บรรลุธรรมในช่วงนี้มีมากผู้ที่สมาริรูนี่ก็มีมากเหมือนกันเช่นชาวนาฤดูฝนไม่เตรียมตัว มันก็ไม่ให้ทันเวลามันผ่านไปได้มัวแต่ปัดดัเมกันพุ่งอาจจะผ่านไปเลยเราจึงมีฝีมืออาชีพสักหน่อยขยันรู้ตรงที่มันหลงมันเราอาชีพหรือว่าขยัน มีควาเพียนสํารวมตามหูจบูกดินกายใจเนี่เรียกว่าขยันป่อยป่าละเลยเรียกว่าเกียดค้านบางทีปติโมคืคอสํารวมตามหูจบูกดินกายใจย่อจุดนั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีขคับเพิ่มขยันตรงนี้บางทีก็พลาดตรงนี้บีบแยะ เอามาเป็นประโยชน์ฤดูเนี้เป็นฤดูที่สะดวกอาจจะทำให้เกิดความขยันขึ้นเหมือ น, นชาวนาเห็นน้ำฝนเนี่ยขยันจับจอบจับเสียมอยู่บ้านไม่เป็นนี่ถ้าใครอยู่บ้านในฤดูทำมาแสดงว่าผิดปกติมากแล้ว วิของเก็เช่นกันโอกาสมีประโยชน์ไม่เอาประโยชน์จากโอกาสแต่มาต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวประมาทในการใช้ทรัพย์ประมาทในกา ร, ร, ม ร, ารเมาเพศเมาวัยนังกับฤดูผล อาจจะหมดปลอยจัคนผู้ประมาทได้คนอื่นเขาไม่หลงเรายังหลงอยู่เขประโยชน์จกบคลมหลงไปวามรู้น่ะเขประโยชน์จากา ล, าลูนกนาเป็นต้นข้าวเป็นน้าฝนเป็นต้นข้าวต้องมีกรรมคือกระทำผู้เจ้าสนเสริญเรื่องกรรมเนี่ยคือการทาเนี่ย นี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมั น, ม, นมันชัดเจนกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไปไม่มีอะไรที่อระมาประม า, า, ราประมาหาเรื่องอุปมาเปรียบเทียบเฉยๆแต่บารปฏิบัติไม่มีฤดูฝนไม่มีฤดูแล้งไม่มีทั่วมีแสลงมันเป็นชีวิตที่ มีอยู่เช่นนั้นในความหลงก็มีในความไม่หลงก็มีในความทุกข์ก็มีในความไม่ทุกข์ก็มีไม่มีกาลเวลาละกาลิกะธรรมยิ่งสะดวกถ้าเราเป็นอาชีพะมือมืออาชีพเล็กหน่อยแล้วก็ได้โอกาสทุกเวลาได้เวลาทุกโอกาสไม่ใช่หาเวลา นะโดยเพราะการเจริญสติจับมาใช้ทันทีเละใช้ได้ทันทีเอาลงไปใช้ชีวิตเนี่ยมันเพื่อการนี่โดยตรงยืนโดนนั่งนอนแต่ช่องอะไรที่เกี่ยวกับการกับใจใช้เป็นการเป็นงานไปเลยอย่าให้มันฟรี ความหลงก็เป็นงานของเราความทุกข์ก็เป็นงานของเราอเออจึงเอาาประกอบให้มันดีกว่าเขาเนี่ยเรียกว่าปฏิบปธธรรมเป็นเรื่องที่น่าขยันที่สุดเลยไม่ต้องมีอะไรอ้างอ้างมาหนม่มอ้างว่าสาวอ่างว่าเท้าว่าแฉะอ้างว่าเจ็บป่วยอ้างว่า ร่นนักเหมานักไม่ใช่เลยนะรวมหลงน่ะ น, น่าจะกระตือร้ น, นข็ยันด้วยขยันแล้วมันหลงขยันรู้น่ะอะไรที่มันไม่ใช่ความถูกต้องนั่นแหละให้เป็นความประยันตรงนั้นเกิดมิจฉาทิฏิให้เป็นสมาธิ ทำความเห็นได้ถูกต้องแ้่ไม่เปลี่ยนมันมันก็มันก็ไปล่อยไกลมานกันเช่นตะกุศลมูลโมหะหลงไม่รู้จริงไม่เช่นหลงไม่รู้จริงท่ด น, น, นั้นไปเมื่อหลงไม่รู้จริงก็อะไรก็ ก็ไปหลายๆอย่างตาก็ไปหูก็ไปจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิล่นเสียงไปหมดถ้าหลงแล้วเรียกว่าโมหะมันไม่รู้จริงโกธะโกธะผูกโกรธไว้ขึงเคียดไว้บางคนก็ปอยอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่โกธะขึงเคียดเฉยๆมันจะ ออกมาเป็นโทสะร้ายกาศออกไปอีกต่อไปเป็นอะไรอีกเยอะแยะไปเลยหรอคอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีโกธะโทสะโมหะเห็นผิดเป็นถูกไปเลยทำผิดได้ไม่รู้จักอาย มันมีตั้งแต่อคุส่วนเกิดขึ้นโมหะโธธาโดภามันก็ไปต่อกันไปอคุส่วนอื่นความไม่ดีอันเดินที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นต้นตัวมันน้อยน้อยม่ไม่มากเหมือนไม่ฉีดก้านเดียวไม่บ้านไม่เมืองทั้งเมือง เจียงก็เกิดขึ้นเป็นอารมณ์นิดหน่อยเหมือนทศ ก, กันกับพันุวานลบกันกองทัพช่อกันใหญ่โตกองทัพอนุมานเล็กๆน้อยๆก็จบกระเจ็เอ องคุริมาหานุมานเนี่ยมันมีตัวของตัวมันมันไม่ทําให้เกิดไฟไม่เมืองลังกาไฟมันอยู่ที่หางมันแต่ทอกันบริวารของมันก็ลบปล่อยของฮานุมานฮานุมานก็วิ่งไปที่ไหนก็เกิดไฟไม่ตรงนั้น เพมันอยู่ที่หางของน้ำมันทุิการทำไมต้งใหญ่เพราะทุจิการมันใหญ่ได้เพราะอาศัยภายนอกถ้าไม่หัวใจเอาหัวใจไปไว้กับพระฤาษีน้มานอาศัยตัวเองแล้วหัวใจไม่ไว้เขียนไว้ที่ไหนชั่วอยู่ที่เราดีอยู่ที่เรา มันก็รู้จุดดอนของทศกัณฐ์ดูย่าทศกัณฐ์นี่เอาหันใจไปฝากไว้กับฤาษีอนุวันก็ไปหลอกไปล่อเอาหัวใจของทศกัณฐ์เอาลูกสอนเฉียบถ่นตายไปหมดเลยเหมือ น, นเราเอาชีวิตไปห้อยไว้ที่ไหนไปห้อยกับความรักห้อยกับความเกลียดห้อยกับความชังไปห้อยกับ วัตถุสิ่งของเมื่อจึงเหล่านั้นเป็นไปอย่างอื่นแล้วก็อกหักเสียใจนี้แต่ว่าทศกัณใหญ่โตแต่ว่าหัวยใจไปเขียนไว้ที่อื่นบริสุทธนันโนมานก็ดัก็ดาวไฟในไฟมันอยู่ที่หางนโนมาน นั่นวันก็หัวเลาไปนวไปดับอยู you know? ่นอนนั่นไม่ใช่คนอื่นดับไม่ได้นั่นก็ว่าเออเราจะนะเราเราจะดับไฟของเรานุ่นวันดับไฟทาําไมรถดับเพลียง <laughs> เอาหางมาอมปั๊บก็ร่อ น, นก็ดับทันที <laughs> นี่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เทกนึ้หยุดทันทีเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่กองทัพมันนวลมันเล็กน้อยแต่ว่ามันใหญ่นะจะสร้างสตาวุธสร้างตัวบทคนหมายมาลบมวลากันเห็นผิดเหนถูกแข่งแย่งกันอยู่มันไม่ใช่ต่างคนต้งดับต้องแบบีดับความหลงเพราะมันเกิดจากอารมณ์เพราะน้องเกิดไม่มีสติ ถึงไม่มีสติเนี่มันจะไปกันเลยหมดมีผลใหญ่มีอานในถงใหญ่นะทุกคนต้องดับตัวเองไม่ต้องไปเกณฑ์กันเป็นปัจจีกบุคคลพุทธศาสนาเน่ทุกคนต้องต้งโทนจากตัวเราเนี่ยไม่ใช่ไปเกณฑ์กัน เป็นปัจจิตตังเห็นเราเองความหลงไม่มีใครเห็นนี่แต่ทัวผู้หลงเห็น ถ, ถ้ามีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่เห็นในความหลงก็มีความหลงเป็นดับเบิ้ลความหลงเข้าไปแต่ถ้ามีสติในสติก็มีดับเบิ้ลสติเข้าไปมันก็ เป็นธรรมมันย่อมชนะนธรรมหมอนมุแมนเอาหางมาอมเราก็มอดไปทั้งเมืองลงกาแลยไม่มีไกแล้วอันนี้คือกองทัพ บ, บองทัพกระจกกระจกขึ้นผู้เจ้าไปปราบองคธิมานพระจเจ้าปัเจิยนที่โกศสนเอาทหารถางเป็นกองทัพแบก มีอะไรทุกอย่างพระเจ้ากเพียงพูดคำเดียวว่าเราหยุดแล้วองคุยมานจับดาบไล่ฟันบอกให้ห ย, ดยดุดหยุดพระเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดไม่ได้มีปืนมีมีดเลยเธอยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่เราไม่ทําบาปทํากรรมแล้ว คนที่ไม่เคยได้ยินคำพูดจะไห ม, มันก็เสียบเข้าไปหัวใจเหมือนเหมือนหนุมานเห็นปัญหาของคนกําลังหางอยู่ไฟอยู่ที่หางมันก็ไปทั่วคนเราเมื่อมันไม่ดีอยู่ที่ตัวเราและเมปยทําไหนมันก็ไม่ดีเป็นไปได้เอา ความถูกต้องเป็นความผิดพลาดความปกติเป็นความมุ่นวายไปเลยเช่นเมื่อวานนี้ก็ะโวยงัดกติหลวงพ่อสมหมายเด้ลาไปฉันข้าวตอนเช้าท่านั้นเองงัดก็ไปหน้าต่างแต่ในหน้าต่างมีกงเหล่งลูกกงมันเข้ามาได้ แต่มันก็มีย่มตั้งอยู่ค้างๆโตปนโตที่หน้าต่างลูกกงอะ่ะหลังก็เอามือไปเปิดย่อมยกเอากระเป๋าปิด <c oughs> มีหนังสือสุตติด้วยเตียมหลังพ่อจะหมายเตรียมจะไปทำพาสปอร์ตด้วยกันนั้นกันจานนอดนัดไอไปทําวัชการ์จ่ารถไปรับจ่าสโกูโตไป ไปเราที่ไหนได้โทรมาบาาอกว่าหาญามาิไม่าตมาเจอสุธิสุ ธ, สธิเสียเงินก็ไปเงินหลายเงินหลายประมาณหมื่นสองหมืน่นนีแหละเตรียมตัวจะไปกรุงเทพไปทำพปประเจริญอดเหมือนกับการเตรียมตัวเอางเงินใส่ย่ามมาจะให้จดอาจจะขอกับเจ้าของโจม้วยมันก็นไปเลยเนี่ย มันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่คนมันจะอยู่ที่ไหนกฎหมายก็ดีและทำมูญก็ดีแต่ให้มันอยู่ที่ค น, น, น, ค น, ถ, น, น, คนถ้าคนไม่มีศีลไม่ทำก็อมันก็ชั่วได้นะอันนี้แล้วจึงมาปัดเกกระบุคนหนึ่งเราเะก่อนนับเราก่อนเอาตั้งแต่มัน ตั้งต้นจะความรู้นี่ยไปหลงก็รู้ทันทีเลยงานแล้วไม่งานแล้วอยู่ที่นี่มีงานทำไม่ใช่มานอนไม่ทำอะไรบางทีก็ไม่ได้นะอาจจะไม่มีงานทำก็เพี้ยนไปเลยละ่ะสนุกคิดสนุกโอง่งแจงเวลานอนเนี่ยหาเรื่องมาคิดเจ็งกว่าเวลาทำงานเนอะว่ามีทำอะไร ถ้าไม่ทำอะไรเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นไม่มีทางออกวิ่งไปตามอารมณ์แด้ว ท, ทนทุนทุกวันนี้ทำงานมือนิ้วเดียวสองนิ้วมือสองนิ้วหูงเข้าก็นิ้วเดียวแป๊บตักน้ำก็นิ้วเดียวแต่ไ <laughs> ม่ก่อนนั้นมีอย่างนี้จับจอบจับเข็มเนี่ย ไม่ควรโกรธลงไปขุดจบด้วิหายจริงๆนะลุงหลวงตานะ่ะโกรธให้ป้าที่อะไรลงไปนอนท่งหนาขุดสะขุดสะถ้าโกรธให้ป้าที่อะไรไปขุดสะอยู่ที่หนาแทนที่จะจะเล่ากันหาเรื่องเหตุเรื่องผลก็จะโกรธแล้วว่า ได้จบไปเข้าสารเราก็ลงทุกหลาเตรียมหาบพระลงบลังไปเอาไปมาป้าก็หาบข้าไปสงฆ์อันนี้สงการโุดได้สะลูกใหญ่เลี้ยงปาหมอก่ อ, อนใครในโลกมีชื่อเสียงมากที่สุดเดี๋ยวนี้ยังไม่อยู่สะลงที่ขุดเคยไป ใช้ชวิที่นั่นเหมือนกันสมัยเป็นเด็กๆอะเป็นหนุ่มแม่เจอในอำเภอหนองเลือก็ไปกินลาหมอที่นั่นนี่ยเป็นคนตัวอยา่ายคงความโกรธแท้ๆจบจบสั้นเลยขุดสะนะังคนเอาความโกรธเอาความโลภไปทำลายคนนั้นมันไม่มีทางออก ถ้าคนมีทางออกมันเป็นไปตามเช่นควายมันย้อยมันโกรธอะไรมันก็วิ่งชนโจมปวกหาทางออกอ้อชนโจะบลวกงือยางยางไายมันออกมันก็นอนแผละแปละแปะไปเลยในคนโกรธไม่มีทางออกเอาลมคนพักเข้าไปผักเไปคิดเรื่อง่เดียวซ้ำคิดซ้ำคิดคิดจะเป็น หนาทีสองหนาทีสามหนาทีชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งเรื่องเดียวสองทั้งที่ไม่ดีมันก็คิดอยู่โอ้ยไม่บ้าใครหน่าว่าตัวเองเนี่ยบ้าหน้าด้านที่สุดห <c oughs> น้าด้านในความคิดบ้าบ้าบ่บ่ของตัวเองโอ้เสียเวลามาก พอมาหลวงพ่อเตียนมาสนอนเฮ้ยอย่าเข้าไปในความคิดอแม่มันซึ่งใจเห็นมันคิดอย่าเป็นผู้อยู่ในความคิดนัออกมาเป็นมีเครื่องมืออย่างนี้เลยเห็นมันคิดอย่าเข้าไปในความคิดมามีสติอยู่เนี่ยก็มีทางตึกใหม่ๆ่ เกิดมาไม่มีใครบอกหรอกเฮ้ยให้ฝึกสติให้การเคลื่อนไหวมีจะบอกข้านั่งหลับตาพุทธโธพุทธโธบริกรรมหลับไปเลยตั้งแต่อายุสิบกปีถึงอายุเกือบสามสิบปีตายอยู่เดกัารบริกรรมตายอยู่ในความสงบไม่รู้อะไรเวลาออกจากความสงบมีอารมณ์แรงโกรธดองต่ยหนา น้องเอาเข้าไปสงสายก็โกรธหาเรื่องโกรธตัวเองเหนื่อยมันก็ยิ่งโกรธหิวก็ยิ่งโกรธเอาความทุกพวเอาควหิวเอาความโกรธท้เขาชั่วแล้วโกรธนี่รก็คิดถึงคนนั้นเฮยใครอยู่ตรง น, นั้นละ่ะไม่ถูกอย่างนีง้แหละต้องลอรู้สึกตัวมารู้สึกตั ว, ตวน่อให้รู้สึกตัวลองดูลองดู ตอนมันมีอารมตึงตึงเูสึด ว, หวดงหวดลงหดลงหดลงหดลงหดลงตอนเยนก็หดลงลงโอ้ยนายสงตัวนี้ยิ่งเป็นนานน้องหลงเมื่อยี่หลงเดี๋ยวนี้ไม่หลงแล้วเมื่อยิ่งในโกรธเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วมันหนะ่ายกมือไหวตัวเองนาะมันมีโทษจริงๆความหลงนะ่ะมันไปไกล เนี่ยงานของเรามันก็จบได้จบได้จบได้เหมือนลงตาผู้นวันนอา้ามันเย็นลงไปแล้วกายมันก็ไม่มีอีกแล้วจบไปแล้วแต่ก่อนกายนี่ยว่ามีหลายภพหลายชาติเป็นเปตเป็นสุกายชนโลกเดชานมีอยู่ที่กายเกี่ยวกับกายอย่างเดียวไปหลายภพหลายชาติมีภูมิทั้งสามมีกำเนิดทั้งสี่ ภ, ภูมิทั้งสองไปเลยบางทีก็มีความสุขที่ว่ากรามกรมาไว้จรภูมิสุขแต่ทางกายนี่ไหมสุขทางกายกรรมาไว้จรภูมิกด้มันทำอะไรได้ใช่ไหมแต่มันอยากก็ได้การามาพบรูปพบควาสุขเพราะ ไม่มีกายไม่ไดกามาวกายไม่มีแลอสุขอุญตนผัสสะผัสสะเอาดีๆนะผัสสะตรงนี้แล้วหวังตรงนี้ตรงเดียวรูปผมอ่ะรูปผมมีภูมตั้งจมกมากำเนิดทั้งสได้ชวดไหมนีู่มตั้งจามกำเนิดทั้งสี่ ภูมิสามกาลวาจรภูมิรูปาวจร อ, อรูปาวจารในในร่างกามเกิดเป็นสุกด้อยในภูมินี้ก็มีอ๋อสนุกสนานเลุกเพราะอาใจอา mith กาลวาจรภูมิน่ะอันอรูปาวจรภูมิไม่ต้องอาใจมิดเลยฉุกในฌาน ในมีภูมิมีหลายพบอยู่ที่กายในเวทนาก็มีหลาพบไหลภูมเหมือนกันในจิตก็มีหลาพบไหลายภูมิมีเปรตมีสุรกาชนลโลกเดชานด้วยในจิตที่มันเป็นอารมณ์เป็นที่ให้เกิดของภูมต่างๆบทนี้มันหยบไปแล้วจบไปแล้ว ชินภพชินชาติของกายของเวตาของกิจของธรรมมาแล้วมันก็จบไปแล้วนะทำไมเราจะต้องให้มันลอยนวลอยู่ได้อันเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายมันเปลี่ยนได้จริงๆนะถ้าจะถ้าจะ <c oughs> เอาเรื่องนี้มาสอนเรา อ๋อใส่แผนที่ก็มันก็สะดวกตัวเจ้าจะแดงไหม่หมดบอกไว้แล้วกายสวว่างกายนะ่ะเวทนาสักเวทนาจิตสวว่าจิตธรรมชววธรรมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาตกอยู่ในความหม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลย ยิ่งใดไม่เที่ยงยิ่งนั่เป็นทุกยิ่งใดเป็นทุกไม่ควรถือว่าตัวว่าตนของเราเขาบอกไว้แล้วอวาจารย์หนังสือตำราเนี่ยนักปราชญ์ทางทศาสนาคืออาจารย์พุทธาถึงหนึ่งเละไปหนึ่งในรงอู้ในเมืองไทยอาจารย์พุทธาได้เป็นคําเทศนาจากท่านแสดงมาตั้งแต่ ตั้งแต่ผมเกิดจะว่าไรท่าน อ, อกบวชเมื่อผมเกิดดู่อเป็นปูชนียบุคคลนับจากวันนั้นที่ท่านผเผยแผ่มาล้อยปีพอดีนับเป็นว้ยร้อยกว่าปีเราจึงถ้าจะเป็นนักปราชญ์ที่ ในภาคการเทศนาสังสอนในโลกมีอาจารย์พุทธาหลายเจาคนเดียวขนัดก็ว่าได้วเราศึกษากับหลวงพ่อเทียนแล้ววพ่อเทียนก็มาด้ไม่ได้สอนเหมือนอาจารย์พุทธาสอนแบบท่านะว่าก็แบบเซนไปเลยบางทีไม่มีคำพูดเอาจีวรโค้หมว มานี่มานี่อเอาจีวอนขึหัว ด, ดูจีเดินไปเดินก็ไปกบมาก็ไปกบมาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้อหน้ามีทางไหนขี้ไม่ถูกเลยขี้ไม่ถูกศาลาที่ฉันเข้าอยู่ที่ไหนขี้ไม่ถูก ก็ดีท่านอยู่ที่ไหนขี้ไม่ถูกเลยเดินกลับไปกลับมาเอาผ้าออกเอาผ้าออกเอาผ้าจีวร อ, ออกตางเก่าไหมเห็นอะไรไหมเห็นนะขี้ผิดขี้ถูกได้ไหมขี้ถูกเนี่ยมันเป็นอยาน่างนี้ปฏิบัติธรรมมันก็ก็ไม่รู้อดีตเอามือมา มาเอามือเตะเตะเตะฝามือเราฝ่ามือแดงๆใช่ไหมเอาเอานิ้วมือมากดเป็นไงเป็นจืดไหมยืดไหมมีเลือดไหมไม่มีเลยลูกเอางูออกเกดแดงคือนให้ไม่เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เอ้ยเห็นเด็กน้อยไหม แม่มันอุ้มลูกมาเอามือไปแตะก้นมันดอนๆนะมันจะจืดพอมือออกมันจะแดงขึ้นมาเป็นอย่างนี้เราก็เรือนนะมันตรงเงินข้าวมันจืดมันจืดไม่ใช่มันเป็นน่ะมันจืดไม่ใช่แมันรูดนะมันเหมือนเอาผ้าออกจากหัวก่อนที่เอาผ้าของหัวเราออกมันจะเป็นยังไงนะ ก็ต่างกั บ, กกบว่าข้าวข้าวมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเขาพูดหลายมากมายิ่แต่ตรงตรงอรอยเราหลงกูรู้เราทุกก็รู้เรามืกอด ก, ก็รู้เนี่ยเก็ทำในตรงนี้กันก็ได้หลักแล้ว อ่านหนังสือเป็นหนังสืออาจารย์พุทธชุดมองด้านในอืมอัดตูนึกว่าหลวงพ่อเทียนพูดไปลอยๆอาจารย์พุทธอยู่ที่ไหนนอ้อสวนโมกน้อ อ, อุ่นใจอุ่นใจในประเทศไทยมีคนพูดอย่างนี้นอ้อง อ, อุ่นใจขึ้นมาทันทีเลย ใครอีกไม่มีไม้มีตำราไม่ได้เป็นจมมชิกเป็นจมมชิกสวนโมกอาจารย์พุทธเจะไม่ก่อนออศึกษาจากที่โน้วิชากรรมฐานจากหลวงพ่อเทียน เี่บยบตัวไปในภาคอีสานพระกรรมฐานที่ไหนป๋อสอนกันยังไงทำไม <c oughs> คนคนยังเป็นอย่างนี้ดูทำไมสอนยังไงไปหางาบางโลกอาจารย์ดังๆโมฆะดังๆทําชียจับนอนจับไหนจับไหนเราก็ไปดูนี่มือดองกระโถนสูงขนาดนี้ เต็มเบื่อนำมากมืออยู่ไม่เป็นไม่มีความรู้สึกเลยมาเราก็ไปทังเกีดด่ดูไม่ถามสักำไปลาไปแล้วไปออรอแพทย์ศาลไปไปดูดังนั้นหน่อยคยือวัดหนองประพงหลวงพ่อชา อยู่นานหน่อยเอาละไปภาคกลางลงกรุงเทพเอาละรวมลงมาอะไรพูดออกมาจากปากจากเตียงเอ่ยปีห้าร้อยอาไรไปเทพที่วัดสามนายเพราะว่าที่สุด แห่งการเจรงหาคือหลวงพ่อเทียนที่จุดแห่งการเจรงหาครูอาจารย์อีกแล้วไปพูดที่วัดฉ น, น้ไในตอนตั้งวัดใหม่ๆไปเริ่มท้างไปแล้วแล้วก็เห็นด ว, ว่าอาจารย์พุท ธ, ธาเดนนี้ก็มามีหลายรูปอยู่ก็จะเป็นพระหลักทีกอ่อาจารย์เจ้าคน ก็ทำปีดกอาจารย์พรมพุนธาก่อนพรเดีวอาจารย์ที่เป็นอุปชาลองพ่อนะองหน่ง น, นั่นเราก็ศึกษาเรื่องธรรมะจะบวช ท, ที่ไหนต้องเลือกอาจารย์นะ อ, อุปชาไม่ดีแม้ว่าเลือกเอาเจ้าคุณีหนาถพิกขุ เทนูปชาเลยขอบววเทนมะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักเดอกก็ไม่ได้นะแล้วก็ดียงังไงดีจริงๆอาจารย์เจ้าคุณอุปชาป้องกันในทิศทั้งสิบได้ให้เด็ลูกสิทธิ์ได้ป้องกันไนะไปทิศไหนทางไหนคนดีรู้จักเหมือนเรารู้จักอาจารย์พุทธาแต่เรามาได้เป็นลูกสิท คนปกติเหมือ น, นองค์เงินเขาก็เกิดไปเอา อ, อาจารย์ไปเอ า, เ อ, าอุปชาไปให้ออกหนะ้ากกราบท่านแล้วผมมาจับบังเลย <c oughs> ผมเป็นจติมหาลิกของเจ้าคขนเฉินาส ตื่นแล้วเนีย <laughs> ่ย อ, อืออว่า ไ, ไงว่า ไ, ไงควจะมาขออาศัายพักกับหลวงพ่อเจ้าคนเจ้าคืนหนึ่นงได้ๆๆ้เอาเนรเอาพระมาแจ้งเอาน้ำช้อนกับกาอ่างชาเอาโอนติดไม้กินเอ้า <laughs> ก็ดีแล้วกันนะเอาอาจารย์ออกหนะ้าป้องกันในทิศทั้งสิบได้นะอาจารย์ดีนะ อเราไม่มีอาจารย์ที่จะไปอวดใครเอาใจเส้นจางธรรล่ะหลวงพ่อเทียนก็หมอนภาพไปแล้วอาจารย์พุทธธาตก็หมอนภาพไปแล้วอาจารย์อุปชาก็หมอนภาพไปแล้วเอาความจริงเอาความจริงมาบอกว่ามันหลงเนี่ยไม่จริงอันตัวไม่หลงเนี่แหละจริงที่สุดเราเหมือนกับ ตนนัแหละเป น, นเพื่อนของตนเอาจริงๆแล้วแต่ก่อนเนะี่ยเหมือนมีเรือลําใหญ่หลวงก็เทียนร่างอาจารย์พุทธธาตว่างอาจารย์เจ้าคุณสีนาฏร่าเป็นเรือของเราก็พูดแต่ปากลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนบ้าได้จุดหัวใจแต่ไม่กล้าบอกลูกศิษย์อาจารย์พุทธธาตไม่กล้าบอก เขาไม่เคยไปอยู่ที่ น, นั่นแต่อา่านอ่านลิขิตของท่านเนี่ยโมยอดเดียวเป็นลกูกเป็นาติวรรของไอ้เจ้าคนเฉยนาฏอ้างได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อ้างอะไรแร้วเราไม่มีแล้วเราจึงหมาให้มันมั่นคงในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือ ด, ดูนี่ล่ะถ้าไม่จะเป็นก็จะนนหนีไปไหน ตั้งใจปฏิบัติทถ้ายดูดูฝนเนี้ยถ้ามันจะไปไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ไม่อยากให้ไปให้พากันปฏิบัติอยู่เนี่ย้าพวกเราหนีกันหมดหรอหลงตาก็จะไปเหมือนกันนะ <c oughs> เรยนี่ยอยู่ได้เพราะพวกเราอะไม่รู้จะอยู่ทําไมทําไมไม่บอกความเย่งต่อกันแล้วกันล่ะมันมีคนที่จะมา เป็นฉเฉลยมาลู่้วยมันก็เต็มทีแล้วจะให้หลวงตาอย่าให้สุโตจนผู้มาติปั์เป็นความปรารถนาของพวกเราที่อยู่แถ่เนี่ยทุกท่านทุกรุ่ที่อยู่แถ่ตลอดทั้งไม่ชีแม่ออกง่าโอมด้วยโอ้ชาช่าไม่พวกเรามาใช้จะเป็นม่เป็นเพื่อน จะไม่เบียดเบียนจะไม่เอาลดัดเอาเปรียยนมีอะไรก็ให้บอกมีจรตต้งจอโนดเป็นผู้ผู้ที่ดูแลและอาจารย์องเกินหลายรูปอยู่นะไไ ม, ไม่ถ้ามันมีใครมาอยู่มาที่ทำงานแล้วก็พากันรักษาไว้ด้วยสถานที่นี้นะ มีคนจะมาเอาไปหลายทีแล้วนี่ค่ายลูกเสือก็จะมาขอทางทิศตะวันตกไม่อย่าเลยมีไม่มีอะไรปลูกสร้างต่างสัปลาเดือนทำกติสิบสามก็จะมาทรางค่ายลูกเสือประจำจังหวัดจักล้ยไล่มันก็พอแบ่งให้เขาได้ เออเลยไม่เลยไม่แบงเห็นวัดสวนโมกเนี่ยมีค่ายลูกเสืออยู่ข้างวัดเวลาเขามาเข้าค่ายเสียงขขเขาก็ยายเวลาอาจารย์พุทธาเด้นดังนันหมดเลยผมเห็นอย่างนั้นเราก็เลยไม่ไม่อยากเอาก็เลยให้ให้เขาเพื่อว่าให้มันเป็นที่สงบ สถานที่สงบต่อปัญหาชีวิตได้ถ้าจะมีการเดี๋ยวนี้เก็จะมีการเขาจะมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้อาจารย์ทั้งหมดสร้างที่นั่นแหะ ก, ก็ดีนะแต่สร้างพุทธรูปที่นั่นเระจะไม่มีใครมาขอร่ายรูปเสือก็ไม่ได้จะทำเป็นการเกษตรบางทีก็มีเกษตรแม่บ้านมาขอทาสวนหมอนจากร้อยไร เป็นของแม่บ้านเอาไหมก็เคยขอด้านนี่ฮต่อไปก็เลยไม่เอาละเลยคงจะไม่รอดท่านลงตาอยู่คนเดียวนะเออเลยสร้างเมนไว้ด้านทิศเหนือไว้คงไม่เอาเป็นสวนหมอนนอะสวนหมอนของแม่บ้านตะบนท่าไปหวานนะไม่มีแม่บ้านไม่มีสวนหมอน ตนี้ก็สร้างเมนไว้ทั้งนั้นแล้วลเออยัางว่างๆอยู่คือด้านทิศตะวันตกที่ใต้เนี่ยเอาพระประธานใหญ่ไปไว้ซะนอะเราไม่ได้เสียเงินเคยมาสร้างให้เฉยๆเอาไหมไม่คีเอาไห ม, ไ ม, ไหมฮะใหญ่ฮะอาถามพระโบานก็นไปกันบ้าง สูงสิบเมตรหน้าตากักห้าเมตรวางความฐานอะไรไปตั้งหมดสูงสิบเมตรขนาดนี้สูงกว่ายอดถอ น, นตาสูงเอาไว้ตรงนั้นซะตรงไม่มีไข้ลรกเสือถ้าทำาพระประธานใหญ่ๆไหน้าหลวงตา ต, ตายไปพระมงินมาอยู่อาจจะขอได้นะ ตั้งต่อมันไม่ให้ใครมารักษาไว้อย่างนี้นะเด๋ยวนี้ก็รักษาต่อไปไม่ได้แล้วหมดสภาพแล้วออปาไปกไวเพราเราเอกันมาอยู่มาใช่กันนะหมดปัญญาแล้วหมดความสามารถแล้วก็เลยสะดวกสบายแล้วตอนนี้นนะวันนี้สมควรเจร อ, อกันกับพระพ่อมกัน